สักครู่เราได้สาธยายมงคลสูตรนะมงคลสูตรนะเป็นบทสวดนะที่พวกเรานะคงได้ยินคุ้นหูนะเพราะว่าพระเนี่ยสวดเป็นประจำเวลามีงานนะเจริญพุทธมนต์ในมนพระทำบุญบ้านนะหรือว่าทำบุญวันเกิดมีการเลี้ยงพระเนี่ยพระก็จะสวดบทนี้ด้วยนะ บางคนก็อาจจะเพิ่งรู้ความหมายนะจากที่ได้สวดในวันนี้บางคนก็ได้ยินหรือว่าได้สวดมาหลายครั้งละสิ่งที่น่าสนใจนะจุดหนึ่งก็คือว่ามงคละสูตรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้พูดพูดให้มนุษย์ฟังเท่านั้นนะยังพูดให้เทวดาฟังด้วย เพราะจากที่เราสวดมาเราก็จะรู้ว่าเนี่ยต้นเรื่องที่มาจากเทวดาท่านถามว่าอะไรที่จะทําให้มนุษย์และเทวดาเนี่ยประสบความสุขความเจริญแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้กล่าวตอบเนี่ยซึ่งเรียกว่ามงคลสามสิบแปดประการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้ได้ทั้งกับมนุษย์แล้วก็เทวดาด้วย เทวดาเนี่ยนะก็มีลิข์นะแล้วก็มีอาหารทิพย์นะมีสิ่งที่เป็นทิพมากมายก็น่าจะมีความสุขนะมีความเจริญได้แต่ถ้าเราพิจารณานนะจากมงคลสูร น, นี่ก็จะได้แง่คิดว่าแม้แต่เทวดาเนี่ยถ้าต้องการความสุขความเจริญเนี่ยไอเพียงแค่อาหารทิพหรือว่า ผิวพันทิพย์เนี่ยหรือว่าความวิเศษนะที่เหนือมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เทวดาเนี่ยหรือมีมีหลักประกันว่าจะทำให้เทวดานี่มีความสุขความเจริญได้ความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทำให้มงคล น, นะสามสิบแปดังเกิดขึ้นซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่ลงมือทาทั้งสิน้น มงคล3าสิบแปนี่มันคนละเรื่องกับวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลนี่เพียงแค่มีเงินนะก็หาซื้อมาได้แล่ะแต่ว่ามงคลสามสิบแปดเนี่ยมันต้องลงมือทำนะเริ่มตั้งแต่การไม่คบนะคนพานหรือไม่คบคนชั่วการครบบัณฑิตหรือคบคนดีการบูชาบุคคลควรบูชาอันนี้เป็นเรื่องการกระทำนะ ไม่ใช่เกี่ยวกับการวิงบอลร้องขอขนาดเทวดาเนี่ยซึ่งมีมีสิ่งที่เป็นทริปมากมายเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้มีความสุขได้อย่างแท้จริงจนกว่าจะได้ทำความดีนะซึ่งมีสามสิบปดประการอันนัประสาอะไรกับมนุษย์นะมนุษย์เราเนี่ยนะแม้จะมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเช่นมีโชคมีลากมันก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันนะของความสุขความเจริญพราแม้แต่เทวดาก็ยังต้องนะอาศัยนะความดีอาศัยธรรมะนะถึงจะเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนให้มีความสุขความเจริญได้แล้วมนุษย์เราเนี่ยยิ่งจาเป็นจะต้องอาศัยนะความดีที่เป็นมงคลเหล่านี้แหละ จึงจะมีความสุขความเจริญแต่คนส่วนใหญ่นะจานวนไม่น้อยเนี่ยก็คิดว่าถ้าตัวมีความสุขความเจริญได้ก็ต้องนะต้องมีโชคมีลาบนะต้องกินดีอยู่ดีถึงจะถึงจะมีความสุขอันนี้ก็ก็อยากจะให้ลองนึกแบบนี้ก็แล้วกันว่าอย่างที่พูดมาแม้แต่เทวดานี่มีสิ่งอำนวยอวยให้เกิดความสะดกสบายยิ่งกว่า เศษฐีนะที่จะมีได้ในโลกนี้นะก็ยังต้องอาศัยนะความดีเนี่ยเป็นสิ่งหนุนส่งให้เกิดความสุขความเจริญได้ยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วเนี่ยแม้จะมีโชคมีลาบมีความร่ารวยยังไงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความดีนั่นแหละอาศัยความดีที่เกิดจากการลงมือทานะด้วยตัวเองนะจึงจะมีความสุขความเจริญได้ มงคล38เนี่ยถ้าจะสรุปย่อยๆเนี่ยก็เหลือแค่3นะก็คือไม่ทำชั่วนะทำความดีนะแล้วก็ทำจิตชำระใจนะให้ขาวผ่องนะหรือว่าขาวรอกอันนี้ก็เป็น3ประการในโอวาทปาติโมก์อยู่แล้วนะรวมแล้วเนี่ยก็มีแค่3นี่แหละนั่นก็หมายความว่า ไม่ว่าคนเราจะได้อะไรมามากมายก็ตามเนี่ยมันจะมีความสุขเราจะมีความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงแล้วก็ต้องเนี่ยไม่ชุบไม่ทำชั่วทำความดีทำจิตให้ผ่องใสหรือว่าทำจิตให้เจริญ ง, งอกงามถ้าหากว่าเราทำชั่วเสร็จแล้วเนี่ยนะโลกลาบหรือว่าทรัพย์สินเงินทองต่าง มันก็ช่วยให้เรามีความสุขไม่ได้ผู้เจ้าจัดว่าคนผ่านปัญญาซามนะย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูหมายความว่าคนที่ไม่มีปัญญานะย่อมทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอย่างไรก็ทำร้ายตัวเองเริ่มต้นด้วยการนะผิดศีลหรือว่าทำชั่วนะ ให้การผิดศีลธรรมชั่วเนี่ยมันก็แม้จะทำเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้ า, นาเช่นไปขโมยคอร์รัปชันนะจะได้รวยไวๆนะหรือว่ า, าไปแย่งชิงของรักคนรักของผู้อื่นเพื่อจะได้มีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวสุดท้ายเนี่ยก็มีความทุกข์ตามมา ไปขโมยของเขานะเนขาก็ไปเรียกตำรวจมาจับคอร์รัปชันนะอาจจะสำเร็จแต่ว่าก็อยู่ร้อนนอนทุกข์ในวันดีคืนดีก็อาจจะโดนนะตำรวจลากเข้าคุกไปไปแย่งชิงของรักหรือคนรักของใครเขากโกรธเขาก็อาจจะมาแก้แค้นนะบางทีก็ยิงหรือทำร้ายถึงตายแล้วก็มี อย่างที่เรียกว่าในที่เราได้ยินข่าวหรือได้อ่านข่าวบ่อยๆฆ่ากับพราความหึงหวงมีการฆ่าชายชู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าถ้าหากว่าเราผิดศีล น, นะหรือเราทําชั่วเสร็จแล้วเนี่ยแม้จะสําเร็จนะมันก็มีความสุขแค่ชั่วคราวหรือที่จริงอาจจะมีความสบายชั่วคราวแต่ว่า ทุกยาวนานนะในที่สุดก็ต้องเจอหรือต้องรับกรรมจากผลแห่งความชั่วที่ได้ทำเอาไว้อันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะทำร้ายตัวเองโดยการผิดศีลแต่ถึงแม้ไม่ผิดศีลน ะ, ะรักษาศีลได้ดีทุกข้อถ้าไม่รับมาระวังนะ ก็อาจจะทำร้ายตัวเองได้อีกเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้จักวางใจเนี่ยถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเราก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้และคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะทั้งทั้งที่มีศีลนะแต่ว่าก็ทำร้ายตัวเองหรือว่าหาทุกข์ใส่ตัวอยู่ บ, บ่อย อันนี้ก็เพราะว่าวางใจไม่ถูกนะไม่รู้จักนะดูจิตดูใจของตัวเราทำร้ายหรือว่าหาทุกข์ใส่ตัวได้อย่างไรนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะมีศีลนะมีธรรมก็โดยการที่เรานะจดจอนะ่อหมกมุ่นนะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ไอสิ่งดีๆบางทีก็ไม่ค่อยคิดถึงนะไปคิดถึงสิ่งแย่ๆสิ่งร้ายๆเรเคยพบโยมคนหนึ่งเป็นคนจีนฐานะก็ดีมากครอบครัวก็ดีลูกก็สนใจธรรมะเคยมาบวชที่นี่ด้วยสามีก็ดูแลครอบครัวธุรกิจที่ตัวเองทำก็ประสบความเจริญ แต่สีหน้านี่หม่หมองเนะพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยคอยจะนึกถึงความยากลำบากตู่นชิดลำเค็นในวัยเด็กอาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแมนะ่เพราะว่าคนจีนเขาก็ใส่ใจดูแลลูกผู้ชายมากกว่าก็อาจจะเก็บความเมื่อเนิ่นต่ำใจเอาไว้นะผ่านมาสามสิบสี่สิบปีแล้วนะ ก็ยังปักใจอยู่กับเรื่องหรือเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะหาทุบมาใส่ตัวเพราะว่ามันกลายเป็นอดีตไปแล้วคนจำนวนไม่น้อยในี่ยทั้งที่กินอิ่มนอนอุ่นนะมีชีวิตที่สุขสบายแต่จิตใจหม่นหมองอาจจะเศร้านะหรือบางคนอาจจะโกรธแค้นโกรธแค้นคนที่ตัวเองได้เคยอุปถัมภ์คอยดูแล ผ่านไปยี่สบสาสิบปีแล้วเนี่ยก็ยังเจ็บแค้นนะเพราะว่าเขาเนรคุณเขาไม่สำนึกบุญคุณใจที่มันปักอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือว่าคนแบบนั้นเนี่ยนะมันทําให้จิตใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะโกรธแค้นทั้งที่ชีวิตก็สุขสบายดีอยู่แล้วแต่ว่าใจเป็นทุกข์อันนี้เพราะอะไรนะ เพราะวางใจไม่ถูกก็เลยกลายเป็นหาทุกข์ใส่ตัวเป็นการทําร้ายตัวเองอันนี้เป็นการอทําทกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูนะอีกแบบหนึ่งนะถึงแม้จะไม่ได้ทําผิดศีลไม่ไทําชั่วแต่ก็ทําร้ายจิตใจของตัวเพราะวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นอธิพายไปแล้วก็นะ แก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าจะหากหากว่าจะไปไปสนใจอดีตนะก็สนใจในแง่นี้มากกว่าว่าโอ้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตที่ผ่านมาบางคนเนี่ยเขาก็เวลาเขามองอดีตนะแม้จะเป็นอดีตที่ลำเค็นลำบากแต่เขากลับขอบคุณเขากลับซาบซึ้ง น, นะขอบคุณว่า ขอบคุณที่ชีวิตเราเนี่ยเคยผคายเคยผ่านความลำบากมาก่อนทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งนะทำให้เราเนี่ยรู้จักพึ่งตัวเองตอนเด็กๆ ก, กอ็อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจพ่อแม่ว่าไม่ยอมซื้ออะไรให้เลยนะของเล่นใครๆเขามีแต่ตัวไม่มีอยู่อย่างลำบากวันหนึ่งไปโรงเรียนก็ได้เงินแค่ห้าสิบตังค์ไม่มีไม่มีสิทธิ์จะซื้อขนมนะ แต่พอโตขึ้นเนี่ยกับขอบคุณนะขอบคุณที่เราได้มีประสบการณ์แบบนั้นมันทำให้เราเนี่ยจิตใจเข้มแข็งเพื่อตามานี่หลายคนเนี่ยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีความทุกข์มากเลยเพราะว่าครูเนี่ยตีเด็กเด็กซนเนี่ยโดนครูตีประจำและที่โรงเรียนอ๋นอตามานี่ก็ตีหนักมากไม้นี่ไม้สัก ไม้ขยุงฟาดกระหน่ำเข้าไปเด็กทักเรียนที่เกเลนี่จะเวลานึกถึงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยใหม่ๆก็จะไม่ชอบนะมางทีเกรดครูด้วยซ้ำแต่มาถึงวันนี้เนี่ยนะกลับทราบซึ้ง น, นะเวลาเลี้ยงรุ่นเชิญครูเก่าๆมาบางคนนี่ก็ยื่นไม้ให้ครูเก่าบอกว่าช่วยตีผมหน่อยนะ ไอ้ตอนครูตีตอนเด็กนี่ไม่ชอบเลยมีด่าครูในใจนะแต่ตอนนี้อยากจะให้ครูตีหรือว่าที่จริ ง, รงมันแค่สัญลักษณ์กันนะไม่ได้ยายครูตีหรอกแต่ว่าคล้ายๆทํานองขอบคุณนะที่ครูตีอันนี้คือคนที่เขารู้จักมองนะมองความลรเคาญในวัยเด็กเนี่ยมองพอมองเป็นเนี่ยกับรู้สึกซาบซึ้งมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นคนที่รู้สึก เป็นทุกข์มากเลยเพราะว่ายายเนี่ยชอบนะชอบจำจีจำชัยให้ปักให้ทอนะพวกทอผ้าพวกปักผ้าเนี่ยเด็กๆนี่ไม่ชอบเลยเด็กอายุเก้าขวบสิบขวบไม่ชอบอยากจะไปเที่ยวรู้สึกเจ็บแค้นมากก็ได้นะไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาแต่ถึงตอนนี้นี่ก็รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณย่านะที่สอนวิชาปักร้อยให้เพราะว่า มันกลายเป็นงานอดิเรกที่ทำไรายได้แล้วก็ทำให้ตัวมีความสุขด้วยนี่คนฉลาดนี่เขาจะมองอดีตที่เจ็บปวดหรือว่าที่ายากลำบากเนี่ยด้วยความชื่นชมถ้ามองแบบนี้ดีนะแต่ถ้ามองเนี่ยแล้วปักตรึงอยู่กับอดีตด้วยความรู้สึกหม่นมองแม้เวลามันจะผ่านไปยี่สิบสามสิบสสิบปีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า ซ้าเติมอะไอย่างนี้ว่าทาร้ายตัวเองหาทุกมาใส่ตัวบางทีก็ไปนึกถึงอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นนะก็กังวลวิตกกระวนกระวายเดีย๋ยวนี้ก็เป็นกันเยืนนะทำให้เกิดความเครียดขึ้นความเครีย ด, ข, ยด ข, ของคนสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่จิตเนี่ยมันไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดนะเครียดในการงานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ เวลาสาวไปดูนาเครียดเพราะอะไรนะก็เลยแล้วแต่เป็นเพราะกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะทางานไปก็กังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จจะเสร็จทันนะจะเสร็จทันเส้นตายหรือเปล่าเนอะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะมันจะสําเร็จไหมนะจะทําให้บริษัทหรือกิจการจเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าืองทีกังวลเรื่องลูกกังวลเรื่องพ่อแม่ กังวลเรื่องลูกว่เราแก่แล้วนี่เขาจะดูแลเราไหมหรือกังวลว่าลูกจะสอบเข้าหมายเทลัยได้หรือเปล่าที่จริงเรากังวลแม้กระทั่งนะเวลารถติดเนี่ยไอ้ที่เครียดเนี่ยที่หุนหิดก็เพราะว่าใจมันไปคิดถึงอนาคตว่าถ้าติดแบบนี้ติดไปนานๆแบบนี้สงสายจะไปทํางานไม่ทันนะไปส่งลูกสายผิดนัดหรือว่าตกเครื่องบิน ถามว่าเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดนะแต่พอคิดไปเนี่ยใจมันก็หงุดหงิดกระวันกระวายขึ้นมาทันทีคนเรานี่ชอบทําร้ายตัวเองบ่อยนะเวลารถติดนะแทนที่จะเสียเวลาอย่างเดียวก็กลายไปว่าสติก็เสียไปด้วยเวลาของหายเออก็ยังคิดถึงของที่หายนะเสร็จแล้วเป็นไงกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ สุขภาพเสียไม่ได้เสียแค่เสียใจแต่เสียสุขภาพงานการก็ทำไม่ได้ไม่มีอารมณ์ทำเสียงานอีกบางทีก็เสียผู้เสียคนเพราะความหงุดหงิดบวยวายใส่เพื่อนบวยวายใส่พ่อแม่เนะี่ทั้งนั้นนี่ชีวิตมันปกตินะแต่เราก็มักจ ะ, ะทำร้ายตัวเองไม่ต้องพูดถึงเวลาชีวิตเนี่ยเกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้เนี่ย อเงินหายของหายรถติดเนี่ยอันนี้ซ้ําเติมตัวเองแล้วแทนที่จะเสียแต่เวลาก็เสียสติไปด้วยแทนที่จะเสียแต่ของอย่างเดียวก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสัมพันธภาพในยามปกติวางใจไม่เป็นนะก็ทําร้ายตัวเองในยามที่เจอเหตุที่ไม่ปกติเช่นเจ็บป่วยเนี่ยของหายถูกโกง งานล้มเหลวมันก็ยิ่งเกิดการซ้ำเติมตัวเองคนอื่นเนี่ยเขาเขาขโมยเงินเราไปแต่เขาไม่สามารถจะยัดเยียดแลวความทุกข์ให้กับเราได้เชื้อโรคมันทำให้เราเจ็บป่วยก้อนมะเร็งเนี่ยมันทำให้เราเจ็บป่วยแต่มันไม่สามารถจะยัดเยียดจิตใจ ยัดเยีความทุกข์ให้กับจิตใจเราได้ใอ้ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะถ้าพูดง่ายๆคือเราทําเองเราทําเองใครก็จะทําเรากับเ ร, ร เ, เราอย่างไรเขาจะด่าเรายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะยัดเยีความทุกข์ใจให้กับเราได้ไม่สามารถจะยัดเยีความโกรธแค้นให้กับเราได้ถ้าความโกรธแค้นจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะใจของเรา อย่าว่าตายอะไรเลยนะแม้กระทั่งทําร้ายร่างกายเนี่ยนทําร้ายร่างกายเนี่ยคนหนึ่งก็ทําได้อย่างมากก็แค่นั้นแหละคือทําร้ายร่างกายทําให้เกิดความเจ็บความปวดขึ้นกับร่างกายแต่ว่าไม่สามารถทําให้ทุกข์ใจได้มีพระชาวทิเบตเนะสมัยเมื่อสักห้าสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยถูกทหารจีเ น, รนเนี่ยทรมาน จีนนี่เข้าไปยึดที่เบตนะเมื่อห้าสิบเกือบหกสิบปีที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะบังคับให้พระเนี่ยนะสอนหรือเผยแผ่าศาสนาของเขาคือาศาสนาคอมมิวนิสต์พระหลายลูกก็ไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยถูกจับเข้าคุกแล้วก็ถูกทรมานอย่างพระรูปเนี่ยชื่อท่านเกดุลเนี่ยเด็กคุกยี่สิบปี ระหวาที่ติดผู้ก็ทรบทุกทรมานเนี่ยอย่างรุนแรงนี่หลายครั้งแต่ท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดความเชื่อของท่านก็คื อ, อยังเป็นพระอยู่ยังมีศรัทธาในพระตัตนาไตรไม่ได้สมาทานรัตทิคอมนิสตอนหลังพอเข้าวัดท่านไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรก็เลยปล่อยและท่านก็เลยหนีนะรีภัยมาอยู่อินเดียทารายะมะนะได้พบท่านพระ ท่านแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยเป็นปเป็นปเชยทารามา ก, ก็ถามท่านว่าตอนที่อยู่ในคุกจีนอยู่ในคุกเนี่ยนะท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกูเดนเนี่ยกับตอบว่ากลัวที่ตัวเองเนี่ยจะโ ก, ก, กรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านนะไม่ได้กลัวถูกทรมานนะ ไม่ได้กลัวถูกทําร้ายนะแต่กลัวที่จะโ ก, กรธเกลียดคนที่ทําร้ายท่านเพราะอะไรนะเพราะถ้าโ ก, กรธเกลียดแล้วเนี่ยก็ทําให้อยากจะทําร้ายอยากจะผิดศีล น, นีท่านก็กลัวว่าเนี่ยเราถูกทําร้ายไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราอย่าผิดศีลก็แล้วกันเพราะผิดศีลเช่นไปทําร้ายเขาต่ อ, ตอนเนี่ยเป็นมันเป็นบาปแต่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือเพราะ ท่านรู้ว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่เนี่ยใจท่านจะเป็นทุกข์ทันทีเลยทหารจีนเนี่ยก็ทำได้อย่างมากก็คือทรมานทำร้ายร่างกายท่านแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อด้ก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดหรือปล่อยให้ความโกรธเกลียดเครยียดแค้นคลองใจเมื่อไหร่ความทุกข์ใจเกิดขึ้นนันทีและท่านก็รู้ว่าในยามนั้นเนี่ย ไม่ควรจะซ้ําเติมตัวเองนะถูกทําร้ายร่างกายนี่ก็พอแล้วนะไม่ควรจะปล่อยให้จิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือว่าย่ําแย่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกลัวนะกลัวว่าโกรธเกลีกยดเกิดขึ้นมาแล้วนี่ชั้นแย่แน่เลยอันนี้เรียกว่าถ้ารู้จักวางใจนะแล้วก็เป็นเครื่องชี้ว่าคนอื่นเนี่ยทําได้อย่างมากก็ทําร้ายร่างกายเรา แต่ไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจเราได้ในความทุกข์ในจิตใจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราวางใจไม่ถูกหรือว่าไม่ดูแลใจนะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความเคมเียดแค้นพยาบาทเกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เห็นนะตรงนี้ก็ไปก็ไปโทษคนโน้นคนนี้นะว่าเขาทำให้ฉันทุกขนะ์ทุกที่ว่านี่คือทุกข์ใจ ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากตัวเราเองนอกจากเราเนี่ยจะไม่ดูแลจิตใจของเราหรือถ้าเราวางใจไม่ถูกนะัวจะซ้าเติมตัวเองทันทีแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียวก็ป่วยใจด้วยนะแทนที่จะเสียของนะก็เสียความสุขหรือว่าเสียใจนะกลัดกลุ่มวะ การที่จะถูกทําร้ายแค่กายนะก็กลายเป็ว่าจิตใจก็ถูกทําร้ายด้วยนะไม่ใช่ด้วยกำปั้นหรือด้วยอาวุธที่ใช้ทรมานแต่เป็นเพราะความโกรธความเกลียดเนี่ยนี่ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็อย่าทรมานตัวเองหรือว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองนะแม้ว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรา สูญนะเสียคนรักสูญเสียของรักถูกกระทาย่ำยีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลจิตใจของตัวให้ดียังอื่นนี่เราคุมได้ยากนะนะเราจะควบคุมให้หรือเรียกร้องให้เขาทำดีกับเราพูดดีกับเราก็ทำได้กับบางคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็ควบคุม บังคับเขาไม่ได้ที่จริงอย่าว่าแต่อะไรเลยลูกของเรานะคนรักของเราบางทีเขาก็ทำไม่ถูกใจเราแต่สิ่งที่เราควรจะทำและทาให้ได้ก็คือการดูแลใจของเราให้ดีวางจิตวางใจให้เป็นอย่างเช่นพอมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอยอมรับมันซะยอมรับว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว บนโวยวายตีโพยตีภายก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งบนก็ยิ่งเป็นการซ้ําเติมตัวเองนะป่วยแทนที่จ ะ, ะพิจารณาใครกลัวเออเราจะจัดการความเจ็บป่วยอย่างไรก็แต่บนโวยวายตีโพยตีภายโอด ค, ครัวว่าทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะอันนี้เรียกว่ากำลังซ้ําเติมตัวเองจิตที่ไม่ยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะมีอาการอย่างหนึ่งคือดิ้นนะสังเกตใจเราเนี่ยเวลาเจอรูปรดกลิ่นเสียงที่ไม่น่าไม่พอใจไม่น่าพอใจเนี่ยถ้าเราวางใจไม่ถูกนะจิตมันจะมีอาการดิ้นไม่ยอมรับมันจะมีาการผลักใสลรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นเช่นเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะ มันจะมีอาการดิ้นเลยนะใจเนี่ยมันอยากจะลุกมันอยากจะอขยับแข้งขยับขาหรือเวลามีเสียงดังเสียงที่ไม่ถูกใจเนี่ยจิตมันจะดิ้นมันพยายามผลักใส่เสียงนั้นมัน จ, จะตะโกนอยู่ในใจเมื่อไหร่เสียงมันจะหยุดสักดีนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกข์นะไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงที่มากระทบหูนะแต่เป็นเพราะใจที่มันดิ้น หรือแม้แต่ปวดเมื่อยที่ขาเนี่ยที่จริงมันก็ปวดแค่กายเนี่ยแต่พอจิตมันดิ้นเนี่ยจิตมันทุกข์เลยและตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองแต่เพียงแต่เรายอมรับมันซ ะ, อะยอมรับมันยอมรับด้วยการที่รู้ทันว่าใจมันกำลังกระสับกระส่ายจะรู้ทันได้อย่างไรต้องมีสติอ๋อสติสาคัญมากนะ มันจะช่วยรักษาใจไม่ให้ทําลายตัวเองสติเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้ทันนะเวลาใจมันคิดไปเรื่องอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตสติทําให้รู้ทันรู้ทันว่าใจกำลังเพ้อคิดไปถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตพอรู้ทันเนี่ยสติจะดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอใจอยู่กับปัจจุบันนะอ่า ไอ้ความรุ่มร้อนความเครียดแค้นความเศร้าเนี่ยมันก็จะคลายไปเพราะคนเราทุกข์ใจเพราะความคิดเนี่ยความทุกข์ใจนมันเกิดขึ้นที่ความคิดก่อนแม้ว่าจะมีผัสสะมากระทบเนี่ยมากระทบที่หูเช่นเสียงดังนะหรือเสียงคนพูดคุยกันขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิมันจะมีความคิดนึงเกิดขึ้นที่ทําให้ไ ม, ไม่ไม่พอใจคือว่าทําไมนะ เพาถึงมาพูดส่งเสียงดังตรงนี้หรือว่าทําไมถึงเปิดพิทีวเสียงดังเนี่ยมันมีคําว่าทําไมนะหรือมันมีคําว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมาะส่งเสียงดังตรงนี้เลยเนะี่ยพอเราคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแลาวเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาทันทีความทุกข์ใจมันมักจะเกิดที่ที่ความคิดก่อนแล้วก็มักจะเกิดจากการที่หลงคิดเผลอคิดไปในสิ่งที่มันเป็นทั่วกับจิตใจของตัวเอง พอมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือเวลาเราวางใจไม่ถูกอย่างที่พูดไปเนี่ยนะใจมันดิน้นใจมันไม่ยอมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเรามีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันจะหยุดดิ้นเลยจิตมันจะกลับาเป็นปกติก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ยอมรับมันก็ไม่แปลว่ายอมแพ้หรือยอมจำนนนะอะไรที่ ควรจะทําเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ให้มันดีขึ้นได้ก็ควรทำเนี่ยเช่นเจ็บป่วยเราก็ไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพตีภายว่าทําไมต้องเป็นชั้นแต่ว่าเราก็ควรที่จะหาทางเยียวยารักษาตัวเองถ้าเยียวยาตัวเตอมไม่ได้ก็ไปหาหมอนีอันนี้เรียกว่าไม่ได้ยอมจำนนแต่ว่าทําด้วยใจที่ไม่ได้หงุดหงิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายการยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดา สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันนะคําติเตียนนะต่อว่าดา่าทอถ้าเรามอเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่คนเนี่ยจะไม่ชอบเราไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่ว่าคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเราหรือจะชอบเราหมดมันก็มีคนที่เข้าใจเราผิดคนที่ต่อว่าเรานะดินทาเรานี่เป็นธรรมดาพระาะแม้แต่พระพุทธเจ้า นะก็ยังเจอและเจอหนักนะกว่าที่เราเจอมากเนะสียงดินทาเป็นธรรมดานะความสูญเสียความเจ็บป่วยนะเป็นธรรมดาพอเรามองเห็น่มันเป็นธรรมดาเนี่ยใจมันจะยอมรับไดนะ้แต่พอเรามองว่ามันไม่ธรรมดาหรือไม่ได้คิดมันเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเอาแต่คําว่าไม่ น, าน่าเอามาใช้นี่ทำไมฉันป่วยในยฉันอา ย, ยุเพิ่งแค่ สามสิบสี่สิบนี่เองทําไมฉันถึงมาป่วยได้โรคร้ายแบบนี้ไม่น่าเลยไอ้คําว่าไม่น่าเนี่ยมันทําให้คนทุกข์มากเลยนะคนเนี่ยทุกข์เพราะคําว่าไม่น่าเนี่ยเราใช้คาไม่น่าเนี่ยนะมาโบยตีเขียนตีจิตใจตัวเองหงุดหงิดเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่น่าจะรถติดวันนี้เลยวันนี้วันอาทิตย์เช้าซะด้วยแต่ก่อนนะ ก็เป็นทุกข์เพราะรถติดเพราะมันไม่น่าติดวันเสาร์เลยนะวันเสาร์เนี่ยมันหยุดรถมันน่าจะรถน่าจะน้อยถนนน่าจะว่างแต่เดี๋ยวนี้นี่ถ้าติดวันเสาร์นี่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แทบทุกอิทิตย์ทำใจได้นะติดรถติดวันเสาร์นะเพราะว่ายอมรับว่าเป็นธรรมดาของกรุงเทพแต่ยังทําใจไม่ได้รถติดวันอาทิตย์นะเพราคิดว่ามันน่าจะ มันน่าจะโล่งนะถนนนะแต่ไม่ก็ตามที่เรามองว่าเออมันธรรมดานะมันไม่ไมีอะไรแน่นอนอะไรความแน่นอนเราความไม่แน่นอนเนี่ยแหละคือธรรมด า, วามเวลาทําใจได้แล้วก็จิตมันก็ยอมรับด้านมันก็หยุดดิน้นะลองฝึกลองวางใจแบบนี้ดูบ้างนะมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษพิสดารเลยเพราะมันก็เกิดขึ้นกับคนอื่นๆมาแล้ว แล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปตราบใดที่มีมนุษย์อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดานะที่เงินจะหายสมบัติจะถูกโกงงานจะมีปัญหาธุรกิจจะฝืดเคืองหรือว่าจะเจ็บป่วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษพิสดารเลยมันเกิดขึ้นกับคนนับไม่ถ้วนพอเราเห็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดานะเอ้าใจมันก็หยุดหยุดดิ้นสงบ ถึงตอนนั้นก็จะไม่มีการซ้ําเติมตัวเองแล้วมีแต่จะหาทางเยียวยากแก้ไขตัวเองน้พยายามวางใจแบบนี้นะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเราเนี่ยเ้าเรียกว่าเกิดอนิจฐารมหรือว่าเกิดโลกธรรมฝ่ายลบอนิจฐานลมคือลูกรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็อันเดียวกับโลกธรรมฝ่ายลบอนนคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะสาระนินทาหรือว่าทุก เวลาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะกลับมาดูใจของเราก่อนว่าเรากําลังซ้ําเติมตัวเองหรือเปล่านะเจอเรื่องแบบนี้แล้วต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็คิดว่าเออเราจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ยังไงทําให้มันดีขึ้นเองเลยไม่ใช่ทําให้แย่ลงด้วยการซ้ําเติมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าทํากับตัว เ, เหมือนกับศัตรูนะนะระวังนะถ้าเราลักตัวเองเนี่ยอย่าทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรนะูมีปัญหาก็ต้อง หาทางเนี่ยทำให้ทุกข์มันน้อยลงไม่ใช่เพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นด้วยการวางใจผิดคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับฮะ